เรามาดูผู้มือต่อนะครับในหน้าที่สาเราก็จะเข้าเนื้อหาตอนที่สองจากเนื้อหาตอนแรกที่เราพูดถึงวัตถุประสงค์และสิ่งที่มาลองรับเนี่ยก็ทาให้เรารู้และเห็นว่าเราจะต้องปูพื้นฐานอะไรเพื่อจะลองรับสิ่งที่เรากาลังจะทำคือ เราได้มีการอบลมอะไรจะอะไรเยอะแยะที่ผ่านมาแล้วพวกเราแต่ละคนก็เชื่อว่าก็ได้ผ่านการอบรมหลายๆเรื่องนะครับหลายๆอย่างก็จบก็คือจบแต่ขออนุญาตจริงๆเลยครับที่ว่าเรื่องนี้อยากจะให้ถ้าอยากจให้ดำเนินต่อจริงๆนะครับมันต้องมีฐานนะฮะที่จะรองรับแล้วฐานที่รองรับก็คือพลิกจนะฮะมันไม่ใช่เป็นการพัฒนาทักษะ ส, ส่วนบุคคล ว่าใครไปทําก็ได้ใครไม่ทําก็ไม่ได้ไม่ใช่ครับงานเรื่องการสร้างสาวกเนี่ยเป็นงานที่พระเจ้าพระยิ่งชลเล็มอบไว้กับคริสตจักรครับจะไม่ไนดะ้เป็นเป็นเรื่องของคริสตจกักรไม่ใช่เป็นเรื่องของคนใดคนหนึ่งโดยเฉพาะแล้วก็ทําไปเถอะคนธรร ม, มไม่ใช่ครับดังนั้นขอให้เราเราเห็นจริงๆว่าเราต้องขับเคลื่อนทางคริสต์จักรนะ แล้วมาดูจากพระคัมภีร์พลิกดูอ่านด้วยกันหนึ่งเปโตบทที่หนึ่งข้อที่หนึ่งถึงข้อที่ห้าเราเริ่มพระธรรมหนึ่งเปโตบทที่หนึ่งข้อที่หนึ่งถึงข้อที่ห้าถ้าใครมีพระคัมภีร์ฉบับโบราณเหมือนผมนะฮะคือฉบับหนึ่งเก้าเจ็ดหนึ่งเดี๋ยวนี้ก็มีฉบับแก้ไขเนาะ ก็ออกเสียงอ่านด้ว ย, ยนะแก้ไขก็ออกเสียงได้นะเนื้อหาจะต่างกันนิดเดียวเองนะฮะแต่ความหมายยังคงเดิมอยู่เนาะ1เปโตรหนึ่งเ ป, โ ต, งปโตรบทที่1ข้อหถึงข้อที่หาเมั้ยพรามนะเปะโตรอ่ากระูตของพระเยซูคริสต์เรียนพวกที่กลัดจัดกระจายไปอยู่ในแควนพันตัส แคว้นกาลาเทียแคว้นทับปโดเซียแคว้นเอเชียและแคว้นปิทเนียซึ่งเป็นผู้ที่พระเจ้าพระบิดาทรงเลือกและทรงกำหนดไว้แล้วและพระวิญญาณได้ทรงชำระแล้วเพื่อให้มีความนุ่มนอมเชื่อความประเยซุขฤทธิ์และให้ได้รับการประคองด้วยความดุลของพระองค์ขอพระคุณและสันติสุขจงบังเกิดทวีคูณแก่ท่านทั้งหลายด้วยเถิดก็สาม ชาตุการแต่พระเจ้าพระบิดาแห่งพระเยซูคริสเจ้ า, จาของเราผู้ได้ทงพรักมหาการุณาแก่เราสงโปรดให้เราบังเกิดใหม่เข้าสู่ความหวังใจอันมีชีวิตอยู่โดยการขึ้นพระชนของพระเยซูคริตและเพื่อให้ได้รับมรดกซึ่งไม่รู้อวยเน่าตากสกาบนจริและไม่ร่วงโรยซึ่งได้เกี่ยไว้ในสวรรค์เพื่อตันทัหลาย ซึ่งเป็นผู้ที่ลิเ์เดตของพระเจ้าได้ทรงคุ้มครองไว้ด้วยความเชื่อให้ถึงความรอดซึ่งพร้อมแล้วที่จะปรากฏในวาระสุดท้ายพระคัมภีร์5ข้อนี้จริงๆพระคัมภีร์หนึ่งเปโตนี่นะทั้งหมดเนี่ยเขียนไปถึงคริสเตียนเห็นหฮะในข้อหนึ่งเรียนพวกที่กระจัดกระจายไปอยู่ในแคว้น ฮอนดัสแควนคร์เทียแควนคานคบบโดเซียแควนเอเชียและแควนบิทเทียอีแควนเนี่ยหนึ่งสองสสี่ห้าแปลความว่าจดหมายฉบับนี้เมื่อเขียนไปให้พี่น้องเคเสเซียนที่กระจัดกระจายไปตามแคว้นต่าง ๆ, ๆเนี่ยมันจะมีแนวโน้มว่ามันเกิดขึ้นสองด้านคือ จดหมายไปถึงทิศเจนเหล่านี้โดยมีการคัดลอกหลายก๊ปิเพื่อจะส่งไปให้ถึงแคว้ต่างๆเหล่านี้หรือหรือนะครับจดหมายฉบับนี้เวียนไปเวียนไปไปแคว้นนี้เสร็จก็ไปเวียนวนนะครับมันจะเป็นยังไรก็เอาละก็ที่เห็นนะครับว่า คริสเตียนเหล่านี้ไม่ได้อยู่ในส่ขุมวนทซอย1 9บเก่าท้ายซอยเท่านั้นเองไหม ค, นะครับแต่ก็ไปเรียนเลยนะแต่ที่น่าสนใจคือเขียนไปให้คริสเตียนใช่ไหมฮะดีเรียนพวกที่กระจัดกระจายแปลว่าเป็นคริสเตียนอมาดูในคู่มือใช่ไหมตอนนี้ผมมีช่องว่างให้คุณจะใส่อะไรก็เอาเลย้ พระธรรมหนึ่งไปโตบทที่หนึ่งก็หนึ่งถึงข้อห้านี้เขียนไปถึงคริสเตียนที่กระจัดกระจายไปอยู่ตามที่ ต, าตา่างๆเนื่องจากการคุมเห็นในสมัยนั้นขีเส้นเหล่านี้ผมอยากให้คุณเขียข้ขอควเป็นคริสเตียนธรรมดาพอตอธรรมดาเขาไม่ได้เป็นผู้ปกครองเขาไม่ได้เป็นมัจนายก ไม่ได้เป็นสิ่ี่พี่บาหรือผู้นํานะครับเป็นคริสเตียนเป็นสมาชิกธรรมดาวันเมื่อมีการข่มเหงเกิดขึ้นกลัวตายไหมกลัวสิก็เลยหนีและพวกนี้หนีฉลาดนะครับเขาหนีกระจายไปเพราะฉะนั้นคนที่จะตามล่า ก, ก็ต้องกระจายกําลังออกเนาะถ้ามีน้อยก็ปไปได้แต่อันใดอันใดที่เหลือก็รอ น, นั่นแนหะเขาฉลาดนะครับก็กระจายไปเยอะเพราะเป็นคริสเตียนธรรมดาในคู่มือผมเขียนว่าที่ต้องหลบหนีความตาย ไปตามที่ต่างๆสิ่งที่น่าสังเกตในพระธรรมตอนนี้คือคำว่าอ่ะคุยนิดนึงคุณคิดว่าคำว่าอะไรครับดูข้อหนึ่งกับข้อสองแล้วกันผมคิดว่าให้คุณเออคำว่าเลือกดีมากใช่ทรงเลือกทรงเลือกคือคำว่าเลือกพระเจ้าทรงเลือกในคู่มือพระเขียน พระคัมภีร์ตอนนี้ที่เราเห็นอย่างชัดเจนว่าพี่น้องคริสเตียนเหล่านี้เป็นผู้ที่เขียนลงไปเลยพระเจ้าทรงเลือกเขาเป็นคริสเตียนธรรมดาแต่พระคัมภีร์บอกกับเราว่าคนธรรมดาเหล่านี้พระเจ้าเลือกเขาว่าและคําว่าทรงเลือกคําเนี้ มันมันมันมันมันทำให้การเป็นคริสเตียนของคนเน่านี้ไม่ธรรมดาไปแล้วเข้าใจคำว่าเลือกใช่ไหม <c oughs> ผมพูดถึงตัวเองทุกทีก็รู้สึกอับอายไขยหน้าจนป่านนี้ก็ยังรู้สึกอับอายไขยหน้าไม่กล้าไปซื้อผลไมยหลายชนิดเพราะเลือกไม่เป็น ยงตัวอย่างแล้วกันบางคุดเนี่ยเขาบอกว่าเวลาซื้บางคุดให้บีบมันนิ่มๆผมก็บีบแล้วฮะจับมาบีบมันก็นิ่มฮะแต่แปลกมากครับพอใส่ถุงช่างกิโลกลับมาถึงบ้านทําไมมันกลายเป็นแข็งก็ไม่ดีย แล้ปีกมากไม่ได้แม่ค้าดูเอางบกบุหมดไม่ต้องปกันีทุกูเชื่อไม่ได้เราเชื่อแม่ค้าใแล้วก็ามาอ้ยมันมีอะไรเหลืองเหลืองบี้วเือังคให้ผมยาแม่บ้านไอไม่ด้อมกนมาลได้กินไม่ถึงครึ่งโลเหลือ เพราะเมื่อเลือกแปลว่ามีมีการพิจารณามีการวิเคราะห์มีการสรุปและที่สำคัญคือมีจุดประสงค์ถูกไหมฮแล้วเรื่องนี้น่าสนใจมากเรามาดูต่อนะฮะและเราทั้งหลายเอาละในพระคัมภีร์พูดถึงคริสเตียนสมัยนูยน้นผมจึงมาสู่พวกเราในห้องนี้ และเราทั้งหลายในที่นี้ต่างก็เป็นคนของพระเจ้าผ่าพระเยุสผลิตเช่นกันเช่นกันดังนั้นเขียนลงไปเลยเราทุกคนในที่นี้ผมเดินผ่ามาส่ห้องนี้แล้วเราทุกคนในที่นี้ก็เป็นผู้ที่พระเจ้าทรงเลือกด้วยเช่นเดียวกัน เห็นด้วยไหมเห็นด้วยไหยมหอ่านข้อความตอนไทยนี่เลยอ่านพร้อมกันคุณเคยนั่นลงคิดหรือไม่ว่าคนอย่างเราดีนะที่พระเจ้าจะเลือกคำตอบคือแน่นอนเพราะพระองค์ทรงเลือกท่านแล้ว พระเจาแต่หัวรยยอร้อยหัวร้อภูมิใจไม่หัวร้อยอรอยอรอใครพระเจ้าเลือกผมมาแล้วเรารูไ้ไหมว่าพระเจ้าเลือกเราที่เรานั่งอยู่ที่นี่เพราะว่าพระเจ้าเลือกเราขอให้เรามีท่าทีในการเป็นคริสเตียนที่ถูกองจริง ถ้าเราไม่เข้าใจความจริงเรื่องนี้อย่างท่งท่มเทเราเัยาจากรูกศิษย์ก็าส่วนหนึ่งที่เรามาเป็นเรื่อนเพราะว่าเราต่างาที่เลือกพรกะเจ้าฟังนะครับมันต่างกันฟ้าไม่เช่กระดินนะครับฟ้ากับอะไรดีที่มันต่ำกว่าดิน เขี <c oughs> ฟ้านเขียวถ้าเราเลือกพระเจ้าเป็นความว่าพระเจ้าต้องทําตามจุดประสงค์ของเราถูกไหมเพราะเราเลือกพระเจ้าแต่ถ้าพระเจ้าเลือกเราเราต้องทําตามจุดประสงค์ของพระองค์เห็นความแตกต่างไหม วันนี้คำอธิษฐานของท่านยืนยันชัดว่าคุณคิดว่าพระเจ้าเลือกคุณหรือคุณคิดว่าคุณเลือกพระเจ้าถ้าคุณคิดว่าพระเจ้าเลือกคุณคุณเคยอธิษฐานให้พระองค์ยังกันพระองค์มีอะไรอยให้ผมทำบางที่พระองค์เลือกผมมาเนี่ยหรือคุณอธิษฐานพระองค์อยากจะขอให้ระองค์มาทำอะไรดีทำไมแน่เนี่ยออธิษฐานแล้วพระองค์ไปไปขออธิษฐานอะไรดีพระองค์ขึ้นบ้าไใหม่ อไปไปช่วยขับผีบ้านนันได้ดีตกลงที่คุณพูดเกิดที่คุณดาเนินชีวิตมันเป็นอะไรคุณพูดจะเป็นฟ้าแต่ดาเนินชีวิตไะเป็เหวและตรงนี้เป็นอีกจุดนึ่งที่ต้องทำความเข้าใจเราเป็นผู้ที่ประจานสิ่เหลือไม่ใช่เราเหลือ โอ้ยหมายว่าอะไคือจะเท่าไหรโหลอย่างจริงๆตอนผมยังไม่เชื่อพระเจ้าผมก็จะมีคนที่ไม่เชื่อพระเจ้าก็จะต้องสวายงานสิ่งสักดิ์สิิ์เยแยะเท่าหครับแล้วสิ่งศักดิ์แต่ะแต่ละองค์แต่ละเรืแต่ละประเด็นแต่ละประเภทก็จะมีมีมีมีความศักดิ์สิทธิ์ในเรื่องที่ไม่ไม่เหมือนกัน ถ้าหากว่าอยากจะจิตญินก็ต้องขอให้วิญญาณ้นแผนเข้ามาได้ก <c oughs> <c oughs> ็ใช่ไหมฮะเราคงไม่ไปขอวิญญาณของนางตะนีมาทำให้เราสามารถจิตจีนก็เป็นสิ่งศักดิ์สิทธิ์แต่ระอย่างทิ่ที่เรามีความเชื่อถือไม่ว่าจะเป็นรูปแบบไหนในะครับก็จะมีคิดเฉพาะที่จะทำ แล้วเราเลือกสิ่งศักดิ์สิทธิ์เพราะว่าเรามีจุดประสงค์ที่เป็นไปตามสิ่งศักดิ์สิทธิ์นั้นใช้สิ่งศักดิ์สิทธิ์นั้นแล้วเราใช้เสร็จเราไม่ได้ใช้เปล่าเหรอทำไมเราปมน่ะเราก็แก้ปมพอแก้คนจบก็คือใบปัตรไม่เราได้ปบเราก็แก้ปมแต่พระเจ้าก็บกราไม่ใช่แบบนี้เราที่เป็นคนไทยนี่ผมก็คือคนไทยผมประเทศื่นๆผไม่มีเรื่องอย่าง มีวนมีแก้วนเรื่องบางเราก็ติดเช่นบนพระเจ้าแหลกหลังเลยเพวเราเลือกพระเจ้ามาใช่ไโอ้ใครว่าจะไมเลือกพระเจ้าองค์เนี้ยอะไรก็ได้บนอ่ะนะทำบาปพระเจ้าก็ลงรังได้ทำบาปไปสวรรค์ได้ไป่ไม่เอาตัวรใช่ไหมอยากจะทาอะไรก็บอกพระเจ้าพระเจ้าอวยพรได้พระเจ้าอู้อสุดผงเลือองค์นี้หนั่นคือท่าเทนี่ทียไรที่ สำรวจดูตัวเองกรับสำรวจดูตัวเองรับขอพระเจ้าช่วยเมื่อเราเลือกพระเจ้าในความคิดของเราความยำเกรงพระเจ้ามีไม่เยอะแต่ถ้าเรารู้ว่าพระเจ้าเลือกเราความยำเกรงพระเจ้ามันเต็มอยู่ในหัวใจของเราขอบคุณพระเจ้าที่เลือกคนอย่างเราเนี่ย ไม่อยากบอกว่าปงเลือกเดี๋ยวปงสมุดนั่งเลือกไอ้ปงเปลี่ยนคนคัานสอบอกว่าจะไปสดหนด้วยแล้วาตจะเลือกเนี่ยต่างกันต่างกันครับดวนนอนจะมาเลือกคือเป็นการคว่าเลือกเนี่ยกับหนดเนี่ย มันเป็นเ ล, เลือกพูดถึงคาดีของพระเจ้าแต่กำหนดพูดถึงเวลาที่พวกเลือกคือเลือกเราก่อนเลือกเราก่อนอเลือกเราก่อนที่เราจะเกิด mm hmm. อา้าวลกดูคำตอบโอ้ขอบคุณครับอาจารย์ที่สอนในเอ e s ซัสไทยจำได้ขั้นค้ำตรงนี้ไม่ดีถึงเนาะแล้วเราไปดูเอเฟซัส ข้อ ท, ท, да. ทีท um> nice well ่นข้อที่สอ่านด้วยกันครับเออจะได้คำตอบในพระเยซูคริสตนั้นพระองค์ได้ทรงเลือกเราไว้ตั้งแต่คนที่จะทรงเริมสร้างโลกเพื่อเราจะบริสุทธิ์และปราศจากตำหนิในสายพนเุ์ของโลกเพราะฉะนั้นเขาอ่ะกำหนดไว้แล้วว่าคือพูดถึงเวลาที่เลือก ครับครับนะเพราะนั้นเป็นคนละเรื่องกันแต่มันมันมันมันมันด้านหนึ่งกำหนดไม่ถึงพูดถึงเวลาแต่เลือกเนี่ยพูดถึงเจตนาของพระอิสวรของพระเจ้าผมเลือกพูดถึงเจตนาของพระเจ้ากหนดว่าอาจารย์ปยุนต้องเป็นนักเทศอะไรอย่างเงี้ยอไม่เป็นการกำหนดทุกมาตรงนี้ในลุกกว้างในฐานะที่เราเป็นสาวกของพระ เพื่อเราก็มาเป็นอวัยวะในระางกายโดยมีพระเยซูคริสต์เป็นศีรษะถ้าเราอ่านที่เยซุปาอันเองกที่เห็นชัดเจนนะครับว่าในที่สุดจะลงที่ว่าพระเยซูคริสต์เป็นศีรษะถ้าเราอ่านไปอ่นไปนะจำได้ไหมมีมีบทหนึ่งก็จะพูดถึงเลยว่าสามีเป็นศีรษะของพรรยาเหมือนพระเทพทรเป็นศีรษะของพระเก็คืออยู่ในนี้จากเนื้อหาตรงนี้ต่อไปก็จะไปที่สุดนะเพราะฉะนั้นพระเยซูก็จะกําหนดเราในพระเยซูคริสต์ก่อนที่จะสร้างโลก อันพระเจ้าเลือกเราน่นอนไม่ใช่เราเลือกพระองค์เมื่อเปนอย่างนั้นเมื่อเปอย่างนั้นขอพระเจ้าช่วยให้เรามีท่าทีตรงนี้ใหม่รรถ้าคุณเลือกพระเจ้าสออย่าำอีกนิดหนึ่งคุณคิดว่าพระเจ้าจะยุ่งกับคุณหรือ เพราะความบาปของเราขวางระหว่างเรากับพระเจ้าไว้ไกลมากเราบอกเราเลือกพระเจ้าองค์นี้เขาโทษขัดพระเจ้าองค์นี้พระองค์เป็นพระเจ้าไม่ใช่อย่างที่เราคิด่าเราจะเลือกพระองค์ราบดาแต่พ่อพระองค์ทรงเลือกนะขอขอให้เรา กับมาปรัจริงๆเลยเพื่อที่จะเปลี่ยนฐานของอารมณ์ฐานของความคิดและฐานของเหตุผลในการดาเนินชีวิตภายใต้ความรู้สึกและภายใต้สมนึกว่าพองโศลเลือกเราโอเคแล้วมาดูต่อครับไม่ไม่ยังมากนะครับนั่นก็เป็นอีกมุมหนึ่งที่ต้องคุยกันเลยนะ ไปไปไปจับประเด็นจะทำความเข้าใจปรับเปลี่ยนใหม่มข้อเท็จจริงบางประการเกี่ยวกับการทรงเลือกของพระเจ้าเขาอกพระเจ้าทรงเลือกเราโดยทานทางคุณงามความดีของพระเยซูคริสต์ไม่ใช่ความดีของเราเราไม่มีอะไรดี ถ้าไม่มีอะไรดีทำไมพระเจ้าเลือกเราพระเจ้าเลือกเราผ่านทางคุณงามความดีของพระเยซูคริสต์ตามที่เราอ่านด้วยจากคู่นี้คือเอเฟซัสบทที่หนึ่งข้อที่สี่เห็นไหมฮะในพระเยซูคริสต์นั้นพระเจ้าทรเลือกเราถ้ายกพระเยซูคริสต์ออกตามทรงเลือกของพระเจ้าไม่ปรากฏในชีวิตของเราเพราะถึงแม้พระเจ้าอยากจะเลือกเราแต่เอาฐานอะไรมาเลือกอ่ะ ปาทั้งนั้นนะดังนั้นตรงนี้เป็นพระคุณเป็นพระคุณเพราะว่าพรย่สุคริตมาจากไหนก็มาจากพระเจ้าที่ส่งเลือกเราพวองค์ก็จึงจริงชี่พระองค์สู้เปิดทุกอย่างทำทุกอย่าง เพื่อให้คุณงามความดีของพระใหญ่เศรษฐีมาถึงชีวิตของเราและภายใต้ความจริงหล่าๆนี้พวกก็เลยเลือกเราผ่านทางคุณงามความดีของพระเยญ่เศรษฐีและตรงนี้เป็นอะไรบางอย่างที่มันมันเป็นความซรบซึ้งที่ไม่ได้อยู่ภายใต้กรอบของเหตุผลตามหลักของตักกะบุตรีแล้วเมื่อเราเข้าไม่ถึงพราะเราเข้าถึงแค่ภายใต้หลัก เราก็เลยไม่ได้ทราจึงเท่าที่วดมันเป็นเรือจิิญญาณลัมีตรกกันของจิติญญาณอีกตระดับหนึ่งซึ่งขอพระเจ้าสมโภดำเราถ้าเราใกล้ิดไปะริศุขิกใกล้ชิดประกาของโปงใช้เวลาพต่โป่เราจะเข้ามาถึงจุดนั้นแล้วเมื่อคุณเข้าถึงจุดนั้นขอโทอดครับคุณจะร้องไห้อยู่ <c oughs> โอ้มันุดอดีเกคลาสสิกกังเรื่องของพระผนทางริศุล เขาขอพระเจ้าทรงเลือกเราอันแรกโดยผ่านทางคุณงามอันที่สองพระเจ้าทรงเลือกเราพพพพออเพราะเพราะจุดประสงค์พระองค์ทรงเห็นคุณค่าในชีวิตของเราพระองค์ทรงเห็นคุณค่าในชีวิตของเราสำหรับ จำหระน้ำพระทยของเราอย่าลืมว่าชีวิตของเรานะครับคุณค้าจะไม่มีเลยหรือเป็นศูนถ้าไม่ได้เอาคุณการชีวิตของเราตอบสนองน้ำพระไทยของพระเจ้าจําเรื่องนี้ได้ไหมเศรษฐีกับลสลสัเสเศรษฐีร่ารวยมากชีวิตก็พบความสำเร็จเหมือนก็มีคุณค่าสูงก็เขอยู่ที่สูงลาสล า, สลาไม่มีอะไรเลยเป็นขอทานต่าง เราไม่มีที่อยู่ดูอยูนอกรวงใส่ถีแต่พระกัมพีบอกว่าพอเขาเสียชีวิตไปจบเลยครับเขาไม่เหลื อ, อะไรเพราะสิ่งที่เขาคิดว่ามีคุณค่ามันไม่ใช่ชีวิตในพระพร่กกันนะไอ้ราะตรงนี้นะครับองค์ทรงเลือกเราด้วยเหตุผลสองประการนะครับขอ้อแท้จริงด้วยขอ้อแท้จริงสองประการในเรื่องนี้ในเรื่องนี้ในคู่มือนะพระ้าไม่ผิด ลแน่นอนผมจะลงตรงนี้ชาแนทเลยเพราะพระองค์ทรงเป็นเขียนลงไปนะครับอาจจะยากหน่อยองคัพันยูถ้าพระเจ้าเป็นอง์สัพันยูและพระองค์เลือกเราเนื่องจากโองค์เห็นศักยภาพของคุณค่าของเราใน น้ำประทัยของโปคงยังชัดเจนและวปองรู้เลยว่าพวกเราที่นั่งอยู่ในห้องนี้ทุกคนมีคุณค่าสูงที่จะตอกคนองน้ำประทัยของโปองได้โปองก็เลยเลือกเลือกมาและโปอง ขอตองตอบสนองเจตนาที่เราเลือกตองอยนคืคิดไหมทัเมื่อเราจะพูดถึงการประกาศการนำอย่าะไรผมความย่าสนิงเลยเราต้องปูพื้นฐานตรงนี้จริงๆให้ชัดเจนว่าเราเป็นใครแล้วจะทำไปทาไมประกาศนำมายก็ไปสอบแล้วมันจะไปลบประโยชของมัน มเจฉาแต่ก็เท่าถ้าพระเจ้าให้เารากลับใจใหม่รอดแล้วไปสวรรค์ขอโคดครับเราจะเสียชีวิตไม่ต้องมีชีวิตอยู่ในโลกนี้ตั้งแต่พิธิบัพติศมาของพี่น้องสภาพี่น้องสภาได้บอกเราก็เลยสบายใจเลย พวกวาผมผมม่จับในพิธีตรงเพราะฉัเวลาในนามพระบิดาพระบุตยัระญาิมุสเราขอทำพิธีบัพติศมากับคุณประยูนเองคุณงูไปก็คือําน้ำจนตายแล้วก็ยกขึ้นมาเข้าไปสว่างแล้วเองแล้วแต่ที่ลงศอกก็เลยใส่เข้าไปเลยจะดูตอไปทำไมเนี่ยเพราคดูตอ พ่มีพระประสงค์ในการชุเลือถ้าไปมันเป็นจิดเดียวกันไปสวรรค์คนโทษครับไม่ใช่หรืที่ผมเคยชวนเด็กคนหนึ่งเขเรียนกิงมาก่ลแล้วผมรักไปเขามา คนรับใช้ขระเจ้าทุกที่เลยเขาไปขออนุญาตพอเขาพ่อเขา่งเสริมแต่หลังจากแม่เขารู้โทรศัพท์ประาเป็ไปชุดเลยดูรู้วันนี้เด็กคนนี้ไป็นอะไเขาไม่รับใช้พระเจ้าเขาไม่รายงานเขาเป็นเชื้อเียญเขาเป็นตุก ดังนั้นขอประเจ้าช่วยถ้าเราไม่ตันนะ้หนักความจริงถึงการชมเรื่องขอกไปะเจ้าเราจะเข้าใจคุณค่าของตัวเองได้ทำไมเพราะพระเจ้าเลือกเราจริงๆเพราะเรามีค่าจริงๆแต่คุณค่าที่พระเจ้าเลือกเราเป็นคุณค่าแห่งผ่นดินของพระเจ้าอเอาเรื่อง แต่ถ้าเราไม่ใช่ชีวไต่สมกับคุณค่ามีการส่องเลือกของพระยาว่าหลุเลยเห็นไหมฮะั้แต่ชั่วโมงกจนถึงวันนี้ตอนนี้ใกล้จะเที่เลยขึ้นจัเนไมเราพบเลย ว, ว่าโอ้ชีวิตคริสเตียนของเราคิดจากเมื่อคิดจนกิดจากที่ตัวไปในในประเทศไทยเราไม่ต้องเอาไกรเอาอะไรคุณจบอกเรารู้สึกว่ายมีคิดจากที่ คิดเที่เข้าใจคล้ๆกับเราทิ่ผ่านมาเยอะแล้วสิ่งที่เราคุยกันที่เราเริ่มทำความเข้าใจดูมพนกเหมือนกับเราต้องมีการฟื้นฟูไหมเนี่ยสำนักพิจารไาประเเราและการฟื้นฟูไม่ได้จากการใหญ่แล้วตอนนักเทคนิมาก็ตุ้นดูดูดูดูดูดูดูพูดูดูดูดูดูดาดูดูดูดูดูดูดูดูดูดูดูดูดูดูดูดูดูดูดูดูดูดูดูดูดูดูดูดดูดดูดูด ควา ม, วามง่ายๆืตกลงพระเจ้าเรื่องเราโดยผ่านทางความดีของพระเยซูคริส์แน่นอนจำไหมฮะนลูกหลอกากบุกบึนแข็งแก่งแต่นั่นมันจะเหตุผลที่พระเจ้าเรื่องคุณแต่เพระเาะความดีของพระเยซูคริสต์ด้วการเรื่องเาด้วยจุดประชงมอย่างเพราะว่าพระเจ้าต้งเห็นคุณค่าของเรา ในเด็่ของพระเจ้าด้วยเหตุที่เองผมจึงก้าที่จะจยืนยันว่าคำอุ ป, ปมาที่ว่าคนที่เป็นเจ้าโของแก่น่ะในที่สุดเขาเจอเมื่อระเจ้าเรื่องเราใส่วระเรื่องเราไปพบความสำเร็จคำในที่สุดเราก็ได้เจออะไรรูยัอ่ะหันไปบอกใครสักคนหนึงหนึยืนยันจริงคุณมีค่ามากบอกเรา จริงค่ะผมเพ่าเจ้าเลือกคนที่อยู่ไออะไรเนี่ย้างสปรพสินคาเาไม่นอกเนี่ยโอ้เยอะแยะเาย้ดังนั้นเจาช่วยเราจิงจริผมขอเรียเียตรงนี้นิดนึงี่คุณเห็นอะไรบางอย่าง ในสมัยก่อนพระเจ้าถามผู้รับใช้ของปงคนหนึ่งที่ชื่ออิเซียปองถามว่านี่เราจะใช้ผู้ใดไปและผู้ใดจะไปแทนเราอิเซียตอบว่าผมอยู่ที่นี่ให้ผมไปเถอะ ตอนที่พระเจ้าทำอิสยาตอนนี้นะครับเหตุการณ์ตอนนี้เกิดขึ้นหลังจากที่พระเจ้าทำละอิสยาแล้วทุตสวรรค์เอาพีมที่ทานเรา ม, มาแตกเพราะอิสยาเนี่ยถ้าไปอ่านก่อนหน้านั้นนะครับจะแตกมากจะเสียวไปสาบแช่งาวัาน วิปปะแก่คนที่สามบาหลังหนึ่งแปะเข้าไปากับอีกหลังหนึงวิปปะแก่คนที่ตนจะเชาวิ่งไปหาเมลาร ว, วิรปปะมันแปลว่าคิดผ่านนิสุโกพ่ออิสยาคืออิสยาเป็นผู้รับใ่้ประชาชนรักษาชีวิตที่ดีมากแล้วตองรอเวลาอิสยา เ, เห็นในบรรดาคนของพระเจ้าที่มันเป็นอย่างนั้นแล้วเทียบกับชีวิตเองก็เลยไปเนี่ยลงมัน แต่พออ <g pakai> ิสยาห์พอมาถึงบทนั้นอิสยาห์เห็นตัวเองเทียบกับความบริสุทธิ์ของพระเจ้าอิสยาหพูดเลยวิปัสแจกับพระเจ้าและพระเจ้าก็แตกปากชำละเขาหลังจากพระเจ้าชำละเขาแล้วอยู่ในอิสยาห์บทที่6นะครับเราเราเราอยากจะรู้นะฮะรายละเอียดการ พวกผมยัดประดีเปิดคดิ ก, กันนะฮะเราจะได้รู้รายละเอียดประการหนึ่งที่ผมอยากจะชี้ให้เห็นเกี่ยวกับการท่งเรื่องของพระเจ้าถึงของเราในที่นี้อิสยาบทที่หก นิมเกี่ยวกับพระเจ้าแล้วนะครับข้อหอิสยาและข้าพระเจ้าว่าวิบัติแก่ข้าพระเจ้าเพราะข้าพเจ้าพินาศแล้วเพราะข้าพระเจ้าเป็นคนริมฝีปากไม่สะอาดและข้าพระเจ้าอยู่ในหมู่ชนชาติที่ริมฝีปากไม่สะอาดเพราะในตาของข้าพเจ้าเห็นกษัตริย์คือพระเจ้าจอมโยธาแล้วตนหนึ่งในเสงราฟีมหัข้าพเจ้า ในมือมีฐานเพลิงซึ่งเขาเอาผีขี่มาจากแท่นบูชาและเขาถูกต้องปากของข้าพเจ้าพูดว่าดูเถิดสิ่งนี้ได้ถูกต้องริมฝีปากของเจ้าแล้วกำชั่วของเจ้าถูกยกเสียและเจ้าก็จะรับการลบมนทินบาปและข้าพเจ้าได้กินพระสนิเสียงขององค์พระผู้เป็นเจ้าตรัสว่าเราจะใช้ผู้ใดไป และผู้ใดจะไปแทนเราแล้วก็เจ้าทูลว่าข้าพระองค์อยู่นี่พระเจ้าข้าขอทรงใช้ข้าพระองค์ไปเธออย่าเพิ่งปิดน่าสนใจมากคืออิสยาหัวใจเนี่ยเต็มลอยดังนั้นเมื่อพระเจ้าถามก็ตอบสวนทางควันเลยผมอยู่นี่เพราะแต่รู้ไหมพระเจ้าพูดอะไรกับอิสยาห อันข้อความต่อมาขาก้าและพรงคตักว่าไปเถอยและกล่าวแก่ชนชาตินี้ว่าฟังแล้วฟังเล่าแต่อย่าเข้าใจดูแล้วดูเล่าแต่อย่ามองเห็นหเห็นแปลความว่าพระเจ้าบอกกำลังเสียไปเทศนาไปประกาศไปเป่าวงแต่ยิ่งเป่ายิ่งเทศสมาชิดยิ่งหาย ยังไม่หายได้ไงฟังแล้วฟังเล้วแต่อย่ากเข้าใจอ่ะ <c oughs> อิสยากขงงเหี้ยเฮ้ยไม่ได้แปให้เขากลับใจเหรอเปล่าเราจะใช้เจ้าทําให้เขาโอ้อัดขังมาเออแล้วอิสยาถามพระเจ้าแล้วมันจะเป็นอย่างนี้ไปจนถึงเมื่อไหร่อ่ะอต่ออน ต, ออนตอในก็ได้ศจงกระทําจิตใจของชนชาติในหมื่นงง และให้หูทั้งหลายของเขาหนักและปิดตาของเขาทั้งหลายเสียเกรงว่าเขาจะเห็นด้วยตาของเขาและได้กินด้วยหูของเขาและเข้าใจด้วยจิตใจของเขาและหันกลับมาได้รับการรักษาหายข้อสิบเอ็ดอิสยาา์ครับไมได้แล้วข้าพาเจ้าว่าข้าแต่ปองพระผู้มีเจา้านานสักเท่าใดโอ้โหแล้วรู้ไม่พระเจ้าตอบว่าอะไรและพวกกับว่า จนหัวเมืองทั้งหลายถูกทิ้งร้างไม่มีชาวเมืองและเรือนไม่มีคนและแผ่นดินก็้างตปล่ปาอย่างสิ้นเชิงเพราะโอทเปไปอย่างนี้นานเท่าไหร่จนสมาชิกหมดบอด <S <S หลวงตัวละปาประจาไปแล้วใช่ไหมอาเมพี่บ้าอามไปงานางทีงานตรงนี้เหรเรือเล็ต่อเรื่เลต่อเอาละเราคำนึงเรือี้ก่อนเรากลับมาการส่งเรื่องของประชา มเมื่อพระเจ้าทรงเลือกเราพระเจ้าเลือกเราไประจําอะไมรู้ไหมคิกดูครับย้อนบทที่15ข้อที่16ย้อนบทที่15ข้อที่16อ่านทท 15, ด้วยกัน เราลองเล่นดูลองเล่นจะมีเสียงกระดับอยู่นะฮะข้อเดียวครับข้อเดียวนะฮะเอางาพร้อมนะหนึท่านทั้งหลายไม่ได้เลือกเราแต่เราได้เลือกท่านทั้งหลายและได้แต่งตั้งท่านทั้งหลายไว้ให้ท่านไปและเพื่อให้ผลของท่านคงดูเพื่อวันเมื่อท่าน พระองค์จะได้ประกานสินนั้นให้แก่อะไเลือกเนวันนี้พระเจ้าเลือกเราแต่วันนั้นพระเจ้าถามความสมัครใจจำได้ไหมเราจะใช้ผู้ใดไปผู้ใดจะไปแทนเราอิสยาบอกเขาเองแต่วันนี้พระเจ้าเลือก ออเกิดอะไรขึ้นกับเราผมไม่รู้ในอดีตที่ผ่านมาเราไม่ได้ออกไปทําหน้าที่ตรงนี้แล้วในที่สุดผลที่ควจะเกิดในชีวิตที่ผ่านมาไม่ได้เกิดคุณรู้ไหมถ้าเราเกิดผลมันไม่ได้เกิดผลที่อยูย้อยแยะมันเกิดผลขึ้นมันก่อนแล้วเมื่อผลที่เกิดขึ้นมันเป็นผลชัดเกลในยอนวันที่สิบ้า ิกกลับมาดูครับข้อที่หนึ่งและข้อที่สองเราเป็นเถาเามง่นแท้และพระบิดาของเราทรงเป็นผู้ดูแลรักษาแขนงทุกขนแขนงในเราที่ไม่ออกผลพรองค์ก็ทรงตัดทิ้งเสียและขนแขนงทุกขนแขนงที่ออกผลพระองค์ก็ทรงลิดเพื่อให้ออกผลมาก พลิกไปดูก็แปลก ว, ว่าวาอ่านตั้งแต่ข้อหนึ่งยันจบบทที่15บ้าเลยนะนี่ผมไฮไลท์ยูดเอ่นานพอกันครับพระบิดาของเราทรงได้รับเกียรติเพราะเหตุนี้คือเมื่อท่ทั้งหลายเกิดผนมากท่านจะเป็นแผความว่าโภงจนเลือกเราแล้วเราเป็นสาวกและโภงให้เราเป็นสาวกและสิ่งที่จะ่ะเราจะไป You, but you're not you. Good boy. Yes. เรจะได้เกิดใหม่โมั น, นเลือกขึ้นมาเพื่อทา่านจะเกิดคนโอ้โหพกะเจัช่วยเราีจิงเราทำเวลาที่ควรจะเกิดคนที่ ม, มีค่า6ตืเลยมากหมือมันออกกลับมาอย่างไรู้ไหมทำไมทมจึงต้องพูดพื้นฐานแล้วก็มาลัคนานีตั้งแต่จุดประสงค์สิ่งลางลวะ นันเป็นเรื่องมุมหนึ่งจนจะท่ามาถึงความจริงระหว่างไปแค่ก็เราจะได้ใจหนักจริงๆว่าเราเป็นใครเมคุณจะเกิดผลขนาดไหนเพราะพระเจ้าเรื่องลงมาและพระเจ้าไม่เคยผิดพลาน่าเสียดายมันจะไปขอโทษพระเจ้าหรือไม่เพราะว่าเป็นเรื่องสุดโต่งที่เราไม่ทําให้ ลักษณะในการชมเลือกของปงคูนจะเกิดขึ้นผ่านชีวิตของเราในที่สุดในวันเวลาที่ผ่านมาแม้แต่เฟโต้ผู้ปฏิเสธพระเยซูที่สาครั้งในที่สุดเขาก็เกิดขึหน้าแต่เราทุกเลาที่นั่นที่เราชัดเจนกันดแต่เราพลาดอะไรตรงไหน อ่ะเรากลับมาที่ชีักเดี๋ยววันนี้ไม่จบแน่เลยที <c oughs> เ่เรามาดูภาพรวมนะฮะองค์มสมมเป็นองค์สัพพัญยูไม่เคยติดพลาดและทรงรอบรู้และการที่องค์ทรงเลือกเรา แ, u, แ u, สดงว่าเราเป็นคนที่มีคุณค่าเดียเราไปเลยนายสายเพลของพระเจ้าที่ยีน และพกระพี้หนึ่งเปโตที่เราอ่านด้ว่เสกุลียืนยันคุณค่าของเราอ่ะกลับมาพิจารณารายละเอียดละเมื่อีนี้เราไฮไลท์ไปแล้วผมก็พาตคนที่เห็นความจริงที่พระเจ้าพูดในเหตุการณ์ตอนอื่นกลับมาที่หนึ่งเปโตบทที่หนึ่งอีกทีหนึ่งข้อที่สองบอกว่าพระองค์ทรงยืนยันคุณค่าของเราด้วย การชำระเราด้วยพระวญญาณการชาระเราด้วยพระญญาณบอยสุดของพระองค์อยู่ในข้อสองเหนไฮะซึ่งเป็นผู้ที่พระเจ้าพระบิดาได้ทรงเลือกและทรงกำหนดไว้แล้วและพระวุญญาณได้ทรงชำระ ในข้อเดียวกันนอกจากชำราเราด้วยพระมุดแล้วยังยื น, ย, น, ย, นยันคุณค่าของเราด้วยกันพระโรมเราด้วยพระโลหิตของพระเยซูคริสต์เห็นไม่ว่าการทรงเลือกของพระเจ้าในชีวิตของเราคุณค่าสูงขนาดเราไม่รู้ไม่คืออะไรนะครับแต่เรารู้ว่าคุณค่าเราทรงถึงขนาด ที่อะไรไปพวกเรามีค่าถขนาดนั้นเลยเลยว่าพอยั่วฉุกิส่งตรวจการในติดใจท่านจริงๆผมว่าคงได้เสนอในสิ่งที่รักตระกีบเป็นกระแหงแต่สิ่งนึกจริงๆใน ตัวตนที่ไร้ค่าในภายใต้ความบาปกับคุณค่าที่พระเจ้าใส่ไว้ในพระกิตติคุณมารโคุณค่าตัวใหม่เนี่ยมันคืออะไรบางอย่างจากพระเจ้ารุ้นู่นเนี่ยเพื่ออะไรบางอย่างที่เรายังมีชี้นอยู่ขณะที่เรายังไม่ไปถึงพระองค์พระองค์ยังไม่เสด็จมานั้นมันเป็นอะไรที่ทราบซึ้งครับ เ, เราไม่มจงควนเราไม่ใช่หรือไงแต่ก็ใช่นะ อาศัยต้องพึ่งพาพระคุณทั้งพระเจ้าพระบิดาพระเจ้าพระวิญญาณบริสุทธิ์และพระเจ้าผมาดูอีกนิดหนึ่งนะครับในผู่มือในชีิตนะครับว่าพระองค์ทรงยืนยันคุณค่าของเราในข้อที่สามด้วยกันให้เราปังเกิดใหม่ตัวเก่าเนี่ยไม่มีค่าอะไรอยู่แล้วเราต้องให้มันทิ้งไปนครับตายนะครับ หรือฝังหรือตึงกับประคิดและจะสมนุแนแยกๆนะอาจารย์เราใช่นะครับแต่เราต้องบังเกิดใหม่แล้วก็ในข้อสามข้อเดียวกันนั้นให้เรามีความหวังใจที่มีชีวิตนั่นเป็นเรื่องอนาคตในในในคู่มือนะครับในข้อที่4เห็หนไฮะ1ึ่งไปตัวบทที่1ข้อ3ดูในคู่มือก็คือข้อที่สี่ ให้เรามีความหวังใจที่มีชีวิตตรงนี้ตรงนี้เป็นอะไรบางอย่างที่จะทำความเข้าใจนิดหนึงนะครับถ้าคำภีทุกคำที่ไม่ได้และคาว่าความหวังใจตรงนี้ไม่ใช่โลโลงดังแรงแต่เป็นความหวังใจที่มีชีวิตแปลว่าอะไรล่ะแปลว่าสิ่งที่เราหวังไว้ตามที่พระเจ้ากาหนดไว้ว่าถ้าเรามาเป็นสาวกของพรองค์เราคาดหวังได้เลยอย่างนี้ สิที่กับไว้นะพิเราเห็นมันเป็นจริงทุกวันมันก็เป็นจริงเป็นจริงเป็นจริงทุกวันก็มีชีวิตเห็น้แต่วันนี้จึงไม่ได้เป็นความหวงลแะแล้วมันจะปรากเป็นสมบแบบในวันที่โกเสร็จมาแต่เราสัมผัสหรือเปล่ามันเป็นเรื่องเราเห็นหรือเปล่ามันเป็เรื่อง พี่นอ้อเงเกษตรคับหน้าสียดายนะถ้าเราเป็นิเกษตรเราไม่เห็นอะไรบางอย่างที่พระเจ้าให้กับเราจำได้ไหมครับผู้รับใช้พระเจ้าคนหนึ่งพระเจ้าบอกให้ไปอวยพรอิสราเอลแต่ก็ถูกว่ า, จาเจ้าไม่ไปสาปแช่งอิสราเอลในที่สุดเขาถับาพราะข้าร า, ข า, ข า, าชารสูงขณะที่เดินทางไปพระกัมพีบอกว่ า, วา พระเจ้าส่งทูตสวัมาขวางทางไว้ใครเห็นลาลาว<า>งเล็บใส่ก็บอกโง่แต่คำจานวนไทยก็ไม่ว่าเลยลาลาไม่เกี่ยวกับผู้รับใช้ไม่เกี่ยวไม่มีฉายาของพระเจ้าไม่มีสิทธิอะไรจะเห็นพระเจ้าแต่คนนี้เป็นผู้รับใช้พระเจ้า สมควรยริงแต่ไม่เห็นตาลาเห็นขอตั้งทนไม่ได้นะตีลาย้อยลาภาษ า, าพาให้คนจากความตายข้อตู้ตรงนั้นเป็นตุ้แความตายเลนะจะมาเล่นงานนะลาไปเรีย่ยงไปเรื่องไปก็โกรธทำไมไม่เดินไปตามทางลาคนไม่ได้ยองพูดภาษาคนเสียชาติลาซะหน่อย <c oughs> โอ้ยแล้วก็มีด้ที่ผมมา แทนที่จะเฉลียวใจคุยบาทะลกอลายนพระเจ้าเชื่อเราอาจารย์โปโลอธิษานอย่างนี้พิกดูเอเฟสติกสักคังหนึ่งครับขั้นหนึ่งไปตัวไว่นิดหนึ่บทที่หนึ่ง ข้อที่สิบเจ็ดและข้อที่สิบแเอเฟซัสบทที่หนข้อสเ็และข้อสิบแป ขอพระเจ้าแห่งพระเยซูคริสต์เจ้าของเราคือพระบิดาผู้ทรงพระเสลิทรงโปรดประทานท่านทั้งหลายมีจิตใจอันประกอบด้วยสติปัญญาและความประจักษแจ้งในเรื่องความรู้ถึงพระองค์หลือขอให้ตาใจของท่านสว่างขึ้นเพื่อท่านจะได้รู้ว่าในการที่พระเจ้าทรงเลี้ยงท่านนั้นคงเลี้ยงประทานความหวัง อาไแขกท่านและรู้ว่ามโดกขอป้องสำหรับทำมิจชนมีเสงาราศีอัอุดมบริบูรณ์เรียงไดให้กันเห็นโอเคดังนั้นขอไระเจ้าช่วยเรากลับมาที่ไปตรวเราไม่ใช้เวลามากบบเรื่องตรงนี้เนาะแต่ให้เรารู้ว่ามีความหวังใจเป็นเรื่องอนาคตนะครับ หนึ่งใบโตกลับมาบทที่หนึ่งก็ที่ส่ซึ่งอยู่ในคู่มือของเรานะครับหัวข้อที่5้ก็ที่สีบอกว่าเพื่อจะได้รับมรดกซึ่งไม่รู้ปวเน่าโอเคเพราะนั้นพระเจ้าทรงยืนยันคุณค่าของเราด้วยการเตรียมมรดกที่สามประการเลยไม่ปวยเน่าไม่มีมลทินและไม่ร่วงโรยให้กับเราในอนาคต โรคที่ไม่ไป่วยเน่าไม่มีมนเทนและไม่รบกวนให้กับกราในอนาคตและประการที่หกพระเจ้าทรงยืนยันคุณค่าของเราด้วยอยู่ในพระธรรมหนึ่งไปตบทที่นหนึ่งคทรงคุ้มครองเราด้วยฤทธิ์เดชของพระองค์ทรงคุ้มครองเราด้วย ริกเดดของโรคและประการที่7พระเจ้าทรงยืนยันข้ณคาของเราโดยการพลิกไปดูหนึ่งโคโรินบทที่6ครับอันนี้ขอข้ามชอ็อตพระัมภีมาทั้งโคโรินมั้นข้อที่19และข้อที่20 ท่านไม่รู้รว่าร่างกายของท่านเป็นวิหารของก็มีญารวสดสิ่งสถิตอยู่ในท่านซึ่งท่านได้ครับจากพระเจ้าไม่ใช่เจ้าของตัวท่านเองพระเจ้าทรงซื้อท่านไว้แล้วด้วยราคาสูงเหตุนั้นจงถวายพระเกียรติแด่พระเจ้าด้วยร่างกายของท่านเถิดจาได้ไหมครับถ้าเราพนวนกับย้อนบทที่สิหข้อ8 ท่านทั้หลายจะเกิดผลมากและพระเจ้าจะรับเกียรติพะท่านเกิดผลมากมนะเพราะตรงนี้การเกิดผผ่านทางร่างกายของเราเตรงนี้แปลว่าพระเจ้าทรงยืนยันสุณค่าเราด้วยกันซื้อเรามาในราคาสูงแต <c oughs> ่น่าจะโประยืนยันอีกครั้ว่าเมื่อคุณค่าที่พระเจ้าซื้อเราในราคาสูงแป้ความว่าเราก็จะถวายเกียรติแก่พระองค์ด้วย อะไรที่พ่งซึมมานี่แหละและย้อนบอกว่าการถวใจเกิดเจะบปวดในชีวิตของเราคือเกิดผลว่าสรุปวัาเราจะเราจะพบควา ม, ววววามสำเร็จในการเป็นพยายนนําวิญญาณและการสร้างสาวกเพราะอะไรพราะความสมําเร็จทั้งหมดนั้นไม่ได้อยู่ที่หนึ่งฝีมือของเราสองฝีบาท อยูเราเลือกเราไม่เหมือนอีสิยาเราจะใช้ผูใ้ใดไปผู้ดใดจะไปแต่งเราผมเอไปทำให้เขา ก, กลับใจใหม่ใช่ัหมไม่ใช่แต่วันนี้พวกเราลงเรื่องเราคพย่อเราไปพบกองชมาดเพืเ่อเราไปได้ถวายเกียรติแก่เราและนี่เป็นเหตุผลสําคัญที่พรัฒน์กิจการพูดไว้เราอ่านเพื่อสรุปสําหรับเรื่องนี้ กิจการบทที่ดูข้อที่แปดว้าวอ่ะคุยนเรื่องนี้หน่อยมาปกติเรื่องนี้ก็คุยกันในคณะเป็นฉพาะก็ไม่คุยกันในในในในคณเนียไม่็นไรพรุ่งนี้ผมมาเทศต่อถ้คุยเรื่องนี้เสเร็จแล้วคืนนี้โทรสรยายไปอาจรไม่ต้องมาพรุ่งนี้ละตกงานเลยละ อ่านด้วกันนด้ดยกันพวกยยซูคิตพูดนะฮพร้อมกันเลยแต่ท่านทั้งหลายจะได้รับระาชทานลทิ์เดกเมื่อพระมิญญาบริสุทธิ์จะเสด็จมาเหนือท่านและท่านทั้งหลายจะเป็นพยานฝ่ายเราในกรุงเยรูซาเล็มโตัวแคว้นอูดียแคว้นสมาเรีและจนถึงที่สุดปลายแผน่นดินโลกว ท่านมีค <pour> ่าเด็นเรื่องเราเรื่องเราเปนความดีของพระเยซูคริสต์เรื่องเราก็เห็นศักยภาพในชีวิตของเราที่จะไปพบฝันความสำเร็จและเกิดผลมากแต่การเกิดผลนั้นผ่านชีวิตของเราแต่ผู้ที่คอยเกิดการผลผลตัวจริงคือพระวิญญาณบริสุทธิ์ของพระเจ้าหรือไม่ว่าคุณจะเก่งหรือไม่เก่งเราสามารถเกิดผลได้มากเท่ากันเพราะว่าผู้ที่กคอยเกิดการเกิดผลคือพระวิญญาณบริสุทธิ์องค์เดียว ปุ่น ok ย <cool in the world> ังไม่ค <asta> ุยในชี <Target heaven> ิตขดันขนมทให้เกิดการเกิดผลเพราะนั้นเกิดผลมากเท่ากัไมเท่ากันเพราะันนิตของสุดโองเดียวกันไม่เา็คุณจะเงแไม่เงแต่สัว่าใจของพุเป็นยังไงน่าความจริงเรื่องนี้แค่ไหนฮ่าฮเราไม่จบลงลืทเกี่ยวอะไร กิการบทที่หงก็ไม่แปลไม่ได้บอกเลยว่ากอที่ท่านจะเป็นพยานฝ่ายรท่านเข้าโรงเรียน่อัีก่อนแต่ให e, ้ท่านเลับ it ิเด็ดจังเพาะวิญญสุดก้อจบมาไม่ได้รับิเด็จังพาาสุดก็แง่ผมนี่แหละผมพูดงผมเป็นครูสอนโรงเรียนพที่ผมพูดเพื่จะไม่ต้องการลูกเข่งเรา ผมตัที่เห็นว่าความสาเร็จจริงๆนั้นเอาจะสงสัยไงความสำเ็จมาจากใรจังเราสงสักูเลือกเราแล้วเราจะได้หรือเนี่ยเราไม่เคยเป็นพยยเรายังไม่เคยเราโอ้ยนอนนอนเราเรากำลังเตรีใจตอนนี้รู้จักความจริงของเราคุณค่าที่แท้จริงของเราเคลื่อนไปเครับและความสเร็จเรื่องหลังคือพรวิญญาณบริสุิ์ของพระเจ้าอย่างแท้จริงและพระองค์จะในทุกทุกคนเขาถ้าเราจะเกิดผลบางทุกคนจะเกิดผลบางเน่ ทำความกู้ใจากิจการแบบที่หนึ่งก็ 8, 5, แปดปีครั้งหนึ่งย่ตอนนั้นพระยูกับสาวกกำลุยกันแล้วก็สาวกก็คิดว่าพระเยซูเป็นขึ้นจากความตายแล้วพระเยซูจะมาล้มล้างไออำนาจของโรมแลยจะตั้งตัวขึ้นมาเป็นกษัตริย์ละมาแล้วสาวกก็พร้อมนะที่จะทำงานหนักก็รู้งานหนักแน่เลยทัดโค่นอำนาจของโรมแล้วกแต่พระเยซูบอกไอเรื่องนั้นไม่เกี่ยวท่าเนไอ่านก็เจ็ดเท กมาดูข้เกตหน่อยอนะฮะเห็นมอ่านข้อหก็เจ็ดเมื่อเขาทั้งหลายประชุมพร้อมกันเขาทั้ทูลพระองค์ถามพวว่าพวกอ ง, งค์จะาพจะส่งตั้งว่าจนาจับขึ้นใหม่ให้แก่ชนอิสเรลนในครั้งนี้หรือเห็นก็มันจะยกกู้อิสเลขึ้นมาคนอำนาจให้เ อ, อเข้าใจผิดไปกัน่แล้วพระองค์งตรั ต, อ, ต, อ, ตอว่าไม่ใช่ ที่จะรู้เวล า, า, ลาเาวลาซึ่งพระบิดาได้ทรงกำหนดไว้โดยสกทิ์อำนาจของพระองค์แต่ทั้งหลายจะได้รับประกาศลิขิเ์เมื่อผู้ยัยบสุดจะเสด็จมาเหนือท่านและทั้งหลายจะทำไมจะทาไมเป็นพยายามไปเอาไปประกับนักบัญญัติสาวงนี้ตรหนักรูลวของท่านดันเงื่อนขอป๋อเป็อย่างนั้นคู่ไมเ่ เหลืองแดนเขียวสียอะไรช่างมันเถอไปนำวิญญาสน้าชามลงและก่อนไปพระเจ้าจะให้ฤทธิ์เดชของพระองค์อย่างไรสุดและดูดีๆและท่านจะเป็นพยานไปเราที่ไหนครับที่ไหนที่ไหนลึกตัวที่ไหนกรุงเยลูซาเล็ม แล้วก็ต่อไปที่ยูเดียต่อไปที่เซมาเรียฟนานงน <c> um <pe ak> ์นันฟาร์แคนี้พระคัมภีร์กาลังบอกคุณผู้ชมบอกให้ท่านเป็นพยานฝ่ายเราที่กรุงเยรูซาเลา็มสร้างสาวกเมื่อมีสาวกหรือพอบความสําเร็จที่กรุงเยรูซาเล็มแล้วอยากอยู่เฉพาะในเยรูซาเล็มให้ก้าวต่อไปที่ยูเดียเมื่อพบความสำเร็จที่ยูเดียให้ก้าวต่อไปที่เซมารียเมื่อพบความสําเร็จที่เซมาเรียให้ก้าวต่อไปกับึูซุไรต์แนดินโลก ท่านเกพบความสำเร็จแล้วในจสุดเขาก็ทำจริงเขาเริ่มต้นที่ยูโรแชาเดมถ้าคุณอ่านบทปีต่อไปครับบที่สองที่สามที่สี่ี่ห้าที่ ไยสิบละซึ่งกระจัดกระจายไปนั้นไปทำอะไรครับที่แกไม่ยอมออกไปอยู่เดียวพระเจ้าก็เลยเครื่อนไหวถ้ามัวจะอยู่ในซอยสิบเก้าแล้วสวยหรอไม่ผู้เอาประวัภาษาเราสูบเป็น น้องพระไชยา็เจ้าตัวนหนและเลือกเราไปเก like field, a little a little like ิดผมไม่ใช่เพราะความดีของเราไม่ใช่เพราะความสามารถของเราแต่ยังต้องอาศัยเรานี้ต้องอาศยเราเพราะเขาจะเลือกเราเรืองการกระจายอำนาจนโยนการสร้างสาวอดรดกับทุกคะแภาษาอังกฤษเป็นคลาสสิกมาจริงๆวิวคลาสสิก เังนั้นขอให้สิ่งที่เราเรียนในเช้าวันนี้ให้ใจหนักช่วยเราส น, นับหรือพุทธใจของพระเจ้าที่เลือกเราพระเจ้าร้องไห้รับากใหรู้แต่ว่าวันเวลาที่ผ่านมาเราทำให้พระเจ้ารู้สึกอย่างไรากับการสรเลือกของเราถ้ามันเถิดไม่ผ่านเวลาแต่กา ร, รนี้ไปนั่นจะล็กเลิดเสถันไ ก็มีนาเขอบคุณพระองค์สําหรับกทเปียนและพระคัมภีร์สัจธรรมบางอย่างที่เราได้ย้อนกลับไปพิจนารณาให้รอบครออีกครั้งนหนึ่งโดยเฉพาะส่วนที่เกี่ยวข้องกับการสรงเลือกของพวก พ, วกพวกี่นี่ตลอดหลายในข้อนี้ขอพระองคยามวิสุทธิรัเราส่วนตัวและขอบคุณพระเจ้าสําหรับสิ่งที่พระองค์ทรงแดงในช่วงเช้าที่ผ่านมาและขอบคุณพระ t h e y r n a h e t shoot e d o okay. w